ก็ความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รวมประปุจยานในวันนี้จะพูดเรื่องพระธรรมเทศนาที่ทรงอุปมานิวรข้อต่างๆแล้วก็ได้แสดงถึงสภาพของสังคมแห่งยุคสมัยเนี่เป็นอุปกรณ์ในการอุปมาเทียบเคียงให้เรารู้ไว้ด้วย อุปมาเหล่านี้เป็นอุปมาที่สอนธรรมะที่เป็นนามธรรมเนี่ยให้เป็นรู ป, ปรธรรมเพื่อใจเห็นว่าในเชิงรู ป, ปรธรรมแล้วเนี่ยนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งหมดแต่ตอนเป็นนามธรรมเราไม่เคยรู้สึกกลัวก็ส่งอุปมาด้วยสิ่งที่เป็นรู ป, ปรธรรม สมมติว่าเราไปอยู่ในสถานะตรงนั้นแหละแล้วก็เทียบนิวรณ์เหมือนคนที่เป็นหนี้เขาบ้างเป็นโรคบ้างเป็นพาดบ้างเป็นนักโทษบ้างเดินทางไกลกันดานบ้างเนี่ยเป็นอะไอย่างนั้นไม่น่าเป็นทั้งนั้นเลยแต่นิวรณ์เรากลับให้แก่ครอบงำจิตใจเราได้ดังนั้นปริยายคนนี้จึงจึงหน้า น่าศึกษาที่ว่าได้จะท้อนภาพสังคมให้เราเห็นได้เป็นการสอนธรรมะระดับชีวิตประจมวันเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการสอนธรรมะระดับบริหารจิตในตัวนี้เราพบบ่อยและจะเห็นอย่างหนึ่งว่าบางครั้งในทรงอธิบายเรื่องการทำทองของช่างทองเนี่ยนะอธิบายช่างทำรถท่างอะไรต่ออะไรเนี่ยอธิบายละเอียดมากเลย อธิบายมันทรงเป็นช่างทองเองมันทรงเป็นช่างทํารถเองแล้วพอทรงแยกแยะเป็นอุปมาเนี่ยคือคือนามนธรรมเนี่ยมันพูดยากธรรมะก็เป็นนามนธรรมเวลาพูดเราพูดยากเพราะนั้นพระเจ้าจะใช้รูปธรรมเนี่ยเป็นสื่อในการอธิบายธรรมะเหล่านั้นแต่บางคนที่ได้ได้พบเห็นจะยินดูฟังแล้วเกิดความเข้าใจแล้วก็มองซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไ ป, ซ, าไปซ้อนเข้าไปเนี่ย เจนเอไม่ใช่ชั้นเดียวนยะแสดงตั้งหลายชั้นสแสดงไว้ตั้งหลายเรื่องในข้อแรกรับสั่งว่ามาบพิษเปียกเหมือนบุรุษจะพึงกู้หนี้ไปประกอบการงานการงานของเขาจะพึงสาเร็จผลเขาจะพึงใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมได้หมดสิน้นและทราบติ่เป็นกำไรของเขาจะพึงมีเหลืออยู่สมหรับเลี้ยงภรรยา เขาพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรากู้หนี้ไปประกอบการงานบบบ น, นี้การงานของเราเสำเร็จผลแล้วเราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดสิ้นแล้วได้ทราบที่เป็นกรรําไรของเรายังมีอยู่เหลืออยู่สมัครเลี้ยงภรรยาดังนี้เขาจะพึงได้รับความปลาโมดถึงความสมณะมีความไม่มีนี่นั้นเป็นเหตุชั้นใดนะนี่ประมาณชั้นใดฉันนั้น และเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าในหลักการของพระพุทธศาสนานั้นยอมรับการกู้นียืมสินแต่ว่ากู้มาเพื่อประกอบธุรกิจการงานสมวงหลักเอาไว้ว่าจักกุมาวิทโรนิเตสัมปันโนจักกุมาก็คือมีดวงตาชี้มองเป็นวิจารณญาณเที่ยงการไกลจะประกอบอาชีพอะไรจะประกอบอย่างไรจะลงทุนเท่าไหร่ จะได้ผลเท่าไหร่จะขายที่ไหนจะได้กําไรเท่าไหรคือมองเห็นมาเป็นระบบมองกระบวนการผลิตเนี่ยจะทําอะไรก็ไม่รู้ว่าตอนไหนก็ตามแต่มามองเห็นเป็นระบบแล้วที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมองผลกําไรที่กลับมาเพราะอะไรเพราะกำไรเหล่านั้นส่วนหนึ่งเนี่ยเราเอาไปใช้หนี้เขาส่วนหนึ่งก็ต้องเลี้ยงดูครอบครัวแต่สชมชัยเขาว่าเลี้ยงดูภรรยา พราภริยาหรือพัญญาเนี่ยแปลว่าผู้ที่สามีพึงเลี้ยงดูสามีก็แปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือว่าเป็นนายมีหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัวทีนี้เมื่อเมื่อเข้าประกอบกิจการงานด้วยความหมั่นขยันการนี้กูนี้ยืมสินเนี่ยทรงชชยกับวันนิสัยสัมปันโนคือแล้วการสนับสนุนส่งเสริมจากแหล่งทุนต่างๆ ผู้หลักผู้ใหญ่ในด้านทุนในด้านความรู้ในด้านความคิดในด้านการประสานงานะอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามีคนสนับสนุนตกลงมามีจักรุมามีวิธุโร ค, คือปัญญาเฉดียวฉลาดแล้วก็ น, นิสสัมปันโนก็มีที่พึ่งปรับนักอาศัยให้เครดิตในการประกอบธุรกิจการงานเหล่านั้นนี่เราก็เห็นโครงสร้างของสังคมว่า พพุทธศาสนากล่าวว่าการเป็นหนี้เป็นสินนั่นเป็นทุกข์ในโลกแต่ถ้าเธอกู้มาประกอบธุรกิจการงานที่มั่นใจว่าจะมีผลกำไรมาเลี้ยงครอบครัวแล้วก็มีผลกำไรมาใช้หนี้เขาได้หนี้ที่เป็นต้นทุนด้านในที่สุดมันก็จะหมดหนี้เมื่อหมดหนี้ก็สบายแต่ว่าช่วงเป็นหนี้นั้นก็ลาบากนิดหนอย มันเรจะเห็นว่าทรงอุปมากิเลสประเภทนี้ประเภทอภิชาเป็ว่าเพิ่งเล็งโลภอยากได้หรือกรมชันทะจิต ท, ที่กำหนัดกระไรพอใจไขว่ควา้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อครอบครองเพื่อถือครองสิ่งต่งางๆมาปรนปลือมาให้ความสุขแก่ตัวเองว่าเป็นเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินกุคนอื่น ในช่วงที่เป็นนุย่ยเป็นนี่เป็นสินช่วงที่ประกอบกิจการงานนั้นมันจะมีความวิตกกงังวลความบ่วงใหญแล้วก็ต้องทำงานด้วยความระมัดระวังขยันหมั่นเพียรเพราะถ้าหากว่าพระทาพระทางแล้วเนี่ยนี่สินอาจจะกู้อาจจะส่งเขาไม่ได้แล้วก็กลายเป็นนี่ทบต้นก็ไปกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากต่อการจากชาระชัสาร ทีนี้เมื่อเขาทำงานด้วยความหมั่นกยันด้วยความเฉลียวฉลาดโดยการมีผู้ให้การสนับสนุนมีวิจารณญาณอย่ารไกลแล้วก็ได้ผลกำไรกลับมาส่วนห น, นึ่งก็ใช้นี่เอวก็เหลือมีเงินเหลือก็ใช้เลี้ยงดูครอบครัวมันก็เกิดความปีติเอิ้อิีมใจประบัตินี้การงานของเราในสาเร็จแล้ว เราได้ใช้หนี้ที่เป็นต้นทุนเดิมให้หมดไปสิ้นแล้วทรัพย์สินที่เป็นกำไรของเรายังมีเหลืออยู่สมัครเลี้ยงภรรยาและนี้พึงได้ความปราโม้นความสมนัตมีความไม่เป็นหนี้เป็นเหตุความไม่เป็นหนี้นั้นเป็นจุดที่เน้นมากความคิดตรงนี้ที่จริงคนไทยเราเดิมทีเดียวเนี่ยก็ไม่ค่อยนานเท่าไห ร, ร่หรอกก่อนที่เราจะรับวัฒนธรรมของอเมริกาเข้ามาเต็มเป่าเนี่ย เราเคยพูดกันว่ารายได้เนี่ยสําคัญกว่ารายเหลือไอ้รายรายเหลือเนี่ยสำคัญกว่ารายได้การเป็นหนี้เป็นศินเป็นทุกข์ในโลกแต่ว่าในการต่อมาเนี่ยเรามาเป็นอะไรจนกว่าเกิดเหตุการณ์พศ40ขึ้นมาเนี่ยเราเจื่อว่านโยงกู้เงินจากบางประเทศกันมหาศาลไหลามาเทมาเศรษฐีเกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยเดี๋ยวนี้ก็มีคนได้เคยรวย อ่าคนรวยไม่ค่อยได้นั่นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราละเลยคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องการเป็นนี่เป็นศีลว่าเป็นทุกข์ในโลกและการอยู่ยังไม่มีที่นี่มีศีลนั่นเป็นความสงา่าเป็นความภาคภูมิเป็นความปีติประโมทเป็นความสมนัติที่ใครๆก็ปรารถนาการได้ชีวิตในลักษณะอย่างนั้น เพราะจึงรับสั่งว่าเขาพึงได้ความปราโมทถึงความโสมนัสมีการความไม่เป็นหนี้นั้นเป็นเหตุสัตใดมาบพิษเปรียกเหมือนบุรุษผู้จะพึงเป็นผู้อาพาธถึงความเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกำลังกายสมัยต่อมาเขาพึงหายจากอาพาทนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลัง ก็จะพึงคิดเห็นอย่งนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นภู้มีภาพถึงความลําบากเจ็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้และไม่มีกําลังกายปัจจุบรเราหายจากอาพาทนั้นแล้วบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเป็นปกติดังนี้เขาพึงได้ความประโม่ความสมนัะมีความไม่มีโรคเป็นนั้นเป็นเหตุชั้นใดคือส่งุปากามกิเลสประเภทพยาบาทเนี่ยว่าเหมือนกับการที่คนเป็นโรค เรามองภาพเป็นคนเป็นโรคบาดโรคเสียดแทงเขาประสบความทุกข์ทรมานเพราะเขาคนเดียวคนอยู่เต็มไปหมดเลยไม่มีใครสามารถแบ่งเบาอาการเสียดแทงของโรคเหล่านั้นให้แก่เขาได้ก็ทําได้ก็แค่ก็ให้ยานะฮะเป็นการบรรเทาไปแต่ว่าคนอื่นไม่สามารถจะแบ่งเบาได้มันเป็นการสอนให้เห็นถึงว่าความโกรธ ความมาคาดพยาบาทจนถึงคิดในการประทุสร้ายเนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลตนนั้นเมื่อเรากินยาพิษเข้าไปเนี่ยเรารับทุกทรมานเพราะการเสียแทงของยาพิษของเราคนเดียวคนอื่นไม่สามารถจะแบ่งเบาไปได้โรคภัยการเจ็บที่เกิดขึ้นเสียแทงมันก็มีลักษณะอย่างนั้นเคยเห็นโทษของความพยาบาทว่าเป็นการซ้ำเติมตัวเองนำความเดือดร้อนมาให้แก่ตัวเอง และเราก็ทุกเราคนเดียวเช่นสมมติเราพยาบาทนายกอต้องการจะแก้แค้นต้องการจะฆ่าต้องการจะทำลายล้างแต่ก็จริงแล้วเนี่ยปัญหาสำคัญว่าเวลานั้นนายก อ, อยู่ที่ไหนเนี่ยเราก็ไม่รู้เราในกรุ่งนอนไม่หลับแล้วกระซับกระสายเลยนายก อ, อาจจะหลับอาจจะคุยสนุกสนานสนเสรีอาอยู่กับเพื่อนฝูงก็ได้ทีนี้ที่สาคัญอย่างยิ่งคือถ้าเราทําไปตามที่เราคิดเนี่ย นายก็เพียงแต่ตายเร็วขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยจะดึงวงสาญ า, าติครอบครัวพี่น้องเข้าไปร่วมวงไผ่บุญเป็นคนที่มีปัญหาด้วยกันเพราะงั้นการพยายามนอนแลเห็นโทษของความโกรธความอาฆาตปราบาตการจงเวนการจงล่างจงพานกันเนี่ย มันก็จะรู้สึกอิติประโมทถ้าเราขจัดออกไปได้หายไปได้เนี่ยตัวอย่างที่รับสั่งว่าเขาพึงหายจากอาพาธนั้นบริโภคอาหารได้และมีกำลังกายเขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นผู้มีอาพาธถึงความลำบากเก็บหนักบริโภคอาหารไม่ได้อันนั้นเรื่องไม่ดีทั้งนั้นนะฮะและไม่มีกำลังกายบัดนี้เราหายจากอาพาธนั้นแล้ว บริโภคอาหารได้และมีกำลังเป็นปกติดังนี้เขาจะพึงได้ความประโมทถึงความสมนัดมีความไม่มีโรคเป็นเหตุชั้นใดนี่ก็อุปมาของพยาบาท ต, ต่อไปก็ถีน้ำมิทะความง่วงเหงาหานอนซึ่งซึ้งน้อยเหงาหดหูเคริบเคริ้มจืดชื่ชใยเย็นเหนื่อยหน่ายท้อถอยสิ่งอาการเหล่านี้อุปมาเหมือนคนที่ ถูกจองจำอยู่ในเรือนจำแล้วก็รับสั่งว่าดูก่อนมหาวพิตรเปรียบเหมือนบุรุษบุคคลจะพึงถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในสมัยต่อมาเขาพึงพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยไม่ต้องเสียสละอะไรเลย ขาจะพึงคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราถูกจองจำอยู่ในเรือนจำบันนี้เราพ้นจากเรือนจำนั้นโดยสวัสดีไม่มีภัยแล้วแต่เราไม่ต้องเสียทรัพย์อะไรอะไรเลยดังนี้เขาจะพึงได้ประโมทถึงความสมนัติีนการพ้นจากเรือนจานั้นเป็นเหตุเช่นใดนี้ก็เป็นการอุปมาถึงฉีน้ำมิทะนะฮะความม่วเงาหอานอนซึ่งซึมหน้อยเงาหดหู่ต่าง ว่เป็นเหมือนกับคนที่ถูกจับเป็นนักโทษที่ถูกจับแล้วก็ติดขังอยู่ในเรือนจำสูญเสียอิสระด้วยประการต่างๆเราลึกวเวลาเราสับสงบเราเมือยลอยเราเส่อซึมเราหน่อยเงาเราซิงเราหดหูเนี่ยเป็นการสอนโดยมีตัวตนของบุคคลเป็นสั ญ, ญลักษณ์คือเป็นตัวแทนของความรู้สึกประเภทสีนมิธาเนี่ย เพื่อเรามองเห็นโทษแล้วก็พยายามที่จะปลนคาดดลายลดละบรรเทาอาการของความง่วงเาางาานอนซึ่งสูงไว้เงาลงไปโดยความเป็นผู้หมั่นขยันโดยความเป็นผู้ปราร ค, ความเพียนโดยความริเริ่มโดยการทําจิตให้อาหาน ร, รื่นเริงบันเทิงใจโดยความบักบันโดยความหมั่นขยันอย่างต่อเนื่องเนี่ยเพื่อจะให้ตัวเองอิสระจากชีนมิถะ เคยคนติดคุกนั้นมันเป็นตารางกายแต่ว่าเวลากิเลสครอบนำเนี่ยเป็นตารางหัวใจตารางกายนะพอทาเนานะฮะตารางใจนี่ลำบากเพราะเราสมัครใจเข้าไปอยู่ในตารางเองแล้วก็ไม่ยอมออกมาเองนคนบางคนบอกใหมันกลุ้มเหลือเกินถามมันกลุ้มเรื่องอะไรอธิบายได้ยดยอยแล้วเออรู้ว่ามันกลุ้มอย่างนั้นแล้กลุ่มมันทําไมอ่ะไม่รู้ว่ามันกลุ้ม แต่บนทั้ไทยก็ไม่ยอมบ อ, อกแต่ว่าสร้างปัญหานี้ก็เรียกว่าเห็นโทษโดยความเป็นโทษแต่ว่าไม่ได้สามารถที่จะโทษตอวนั้นไม่ได้สำเร็จประโยชน์อะไรนะฮะคล้ายๆกับบุคคลเห็นเหวแ้วยังเดินลงเหวนี่ไม่รู้จะว่ายังไง ในข้อต่อไปอุทจกกักขุกจักทรงอุปมาเหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสนะฮะกรก็สะท้อนภาพของทาสในยุคในสมัยต่างๆเนี่ยพระทาสก็คือทาสแต่เราเทียบเคียงแล้วนี่ทาสในยุคของพระพุทธเจ้ากับทาสในยุโรปอเมริกานะฮะกับทาสในประเทศไทยเราเนี่ยทาสในประเทศไทยเราค่อนข้างสบายนะฮะถ้าเทียบแล้วเนี่ยคือเลวน้อยกว่ า, าแ้กัน เพราะจากหลักฐานต่า ง, างๆที่ศึกษาเราเรียนมามันก็อยู่กันในฐานะใกล้ๆกับครอบครัวแต่ว่าไม่ค่อยมีอนาคตถ้าหากว่าออกไปเนี่ยไม่ค่อยมีอนาคตแต่ถ้าอยู่กันนายก็อยู่ได้นะฮะอยู่กันไปได้แต่อยู่แบบทาตไม่ค่อยอิสระเราบอกว่าเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเป็นทาตไม่ได้พึ่งตัวเองพึงพ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้อันนี้คือลักษณะของทาตุเนี่ยธาดอิสระภาพ คนเราเนี่ยต้องมีสิทธทิเสรีภาพในการจะเลือกที่อยู่อาศัยเลือกจะไปเลือกจะทําเลือกอะไรตอะไรต่างๆเนี่ยในเมื่อไม่เป็นการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแต่เพราะความเป็นทาสนี่ยทําให้ไม่มีอิสระเสรีภาพที่จะประพฤติกระ ท, ทําเช่นนั้นในการต่อมาเขาก็พ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นแสดงให้เห็นว่าในยุคสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีการปล่อยทาสเป็นยุคเป็นสมัยเหมือนกัน แสดงว่าไม่จะเป็นท่กันจนตายจะดูแล้วก็ดีกว่าพวกฝรังเล้านะฮะดีกว่าพวกท่าของกรหรังกระรังนี่ดูแล้วมันก็ขัดแย้งอะไรกันชอบกันเล้วนึกถึงภาพต่างๆที่เขาออกโทรทัศน์ทางโทรทัศน์เต็นเด็กเ้นเล็กบาดเจ็บเลือดโชคตัวในมันหดหูนะว่าเขาคิดยังไงไม่รู้นะแต่เราเป็นพระมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่ง แม้แต่คิดเราก็ไม่กล้าคิดนี น, นะฮะอาจะไปฆ่าเด็กอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันจิตใจมันนุ่ดแต่มันพูดยากคือบางทีเราจะเดิญมาในอีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นหนึ่งมันแปกมันทําไมมันเทียมเกรียดอย่างนี้ทำไม ม, มันรุนแรงอย่างนี้นยากต่อการทําความก็จะยากต่อการอธิบายแต่ว่าพื้นฐานความคิดเนี่ยสําคัญ ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆมาแล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านถามว่าคิดว่าเขาจะแก้แค้นไหมบอกว่าแน่นอนเลยเพราะว่าพวกนี้มันมีปัญญาความคิดพื้นฐานเดียวกันตาต่อตาฝันต่อฝันรอยแผลต่อรอยแผลรอยไหมต่อรอยไหมเนี่ยความคิดอย่างนี้อันตรายเพราะว่าเวนมันจะไม่ระ ง, งับเลยแต่จะถูกลากเลื่อนไปเรื่อยๆเลยเพราะแนวการตกเป็นทาส คือถ้าเป็นทาตโดยไม่ปล่อยเนี่ยมันก็จะมีตองกรรมกันไปแต่ถ้าปล่อยแล้วนายเป็นคนดีตั้งตัวให้ทาตเป็นหลักเป็นฐานมันก็หลงเหลือความจานึกขุนอุปการคุณเหมือนกับลูกออกจากเรือนนะพ่อแม่ก็ตกแต่งให้เป็นฝั่งเป็นขวามีหลักมีฐานในการครองเรือนแล้วก็ต่อมาเขาก็มีความเจริญก้าวหน้า เรียเป็นไทยแก่ตัวเขาพึงพ้นจากความเป็นทาสนั้นพึ่งตัวเองไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจก็พึงเกิดประโมทมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นไปไหนตามความพอใจไม่ได้บัดนี้เราพ้นจากความเป็นทาแล้วพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเป็นไทยแก่ตัวไปไหนมาไหนได้ตามความพอใจ ดัง น, นี้เขาเจะพึงได้ความปราโมทถึงความสูมนัทมีความเป็นไทยแก่ตัวเป็นเทศเพราะในการตกเป็นาธาตุไว้ใจเ อ, อ่ถูกครอบํามโดยอุทัจจะคือความฟุ้งซ่านําคาอุทจักขุกขจจะในฟุ้งท่านําคาเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ตกเป็นาธาตุมันแล้วแต่กิเลสมันจะบงการมันสั่งการฟุง้งนอนไม่หลับเลยกระสับกระสายเรื่องเล็กๆน้อยๆก็นอนไม่หลับเรื่องมากๆก็นอนไม่หลับ แต่พออิสระ ข, ขึ้นมาได้เนี่ย <c oughs> เขาว่าจะเกิดปิติประมุ่ดขึ้นมาแล้วประการต่อไปก็ทรงอุปมาวิจิกิจษานิวร น, นะฮะว่าเปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย์มีพวกสมบัติพึงเดินทางไกลกันดานฐานะดีนะฮะฐานะดีเดี๋ยวเกิดเดินทางไกลกันดานหาหารก็ยากมีภยัยเฉพาะหน้าสมัยต่อมาเนี่ยเขาข้ามพ้นทางไกลกันดานเพราะว่าวิจิกิษานี่ย ทีกจีกิสามันก็ให้เกิดอาการชงักแต่ฟังลองสังเกต น, นะะเช่นสมมติว่าเราเดินทางไปถึงทางสามแพร่งหรือสีแพร่งก็ตามสามแพร่งดูข้างหน้าเรานะไอ้แพร่งหนึ่งเราเดินมาแล้วถ้าเราไม่แน่ใจว่าไปซ้ายไปขวาหรือไปหน้าเนี่ยมันจะยืนอยู่ตรงนั้นนะ่ยไม่แน่ใจตัดสินใจไม่ได้มันก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองความเชื่อมั่น แล้วก็ไม่กล้าเสี่ยงบางทีต้องหยุดไปถามเขาตอนนี้ลาพังเราตัดสินใจอะไรไม่ได้แล้วมีกิจฉาบางครั้งจึงอุปมาเหมือนทางเสือโคร่งคือรอดักเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไปตรงนั้นเสือมันก็กัดเราเพราะอะไรก็ตามถ้ายังเคลือบแคลงสงสยัยยังไม่แน่ใจเนี่ยอย่าพึงตัดสินใจทาอย่าพึงตัดสินใจพูด ไอ้คิดเนะีพอคิดไหวนะฮะแต่คิดก็กลุ้มเปล่าเพามัไม่ได้อะไรเกินมาแต่คิดเพ่อจะหาจุดประเด็นต่างๆเนื้อหาสาระความเป็นจริงจากเรื่องเรื่องเหล่านั้นให้ได้เพรดัง น, นั้นคนเหล่านี้เราจะเห็นว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะฮะถ้าเดินทางไกลกันนานแล้วก็หาอาหารได้ยากมีภัยเฉพาะหน้าอย่างนี้เราเราเราดูไม่ค่อยได้อนะเมืองไทยเราปัจจุบันเนี่ยนะ แต่ถ้ดูอินเดียอะไรอย่างได้นะะอินเดียเนี่ยเราไปเราโอ้โหก็น่าดูแหละแม้แต่ไปตามถนนไม่ต้องพูดถึงว่าเดินลัดทุ่งไปนะฮะเดินไปลัดทุ่งลัดลัดป่าไปอย่างนั้นไม่แน่นะขนาดพระพระพลังรู้จักกันในถูกควกโจนแขกมันปล้นหมดเลยโดนผ้าผ่อนหมดเลยบาดเบิดมันเอาหมดเลยรายกาจมากนะ เพราะงั้นทางใดกันดานในลักษณะเนี้ยมันเสี่ยงภัยเสี่ยงอันตรายความเครียดแรงสงสัยคือความรู้อะไรไม่จริงอจะสูญเสียความเชื่อมั่นตัดสินใจอะไรออกไปไม่ได้เพราะงั้นถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ข้ามพ้นทางกันดานได้คือความข้ามพ้นความสงสัยได้เนะครับมาลือถึงหมู่บ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีเขาจะพึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่า เมื่อก่อนเรามีทรัพย์มีพวกสมบัติเดินทางไกลกันดานหาอาหารได้ยากมีไยเฉพาะหน้าบัดนี้เราพึงข้ามทางกันดานนั้นบรรลุถึงบ้านอันกเกษมปลอดภัยโดยสวัสดีดังนี้ก็จะได้ปรามโมทึงความสมณะมีภูมิอันกเกษมเป็นเหตุนั้นชั้นใดชั้นใดมาห้าชั้นใดแล้วนะฮะเรับสั่งสรุปว่ามาบพิษ ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนเป็นทาตเหมือนทางไกลกันดาลและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ตนละไปแล้วในตนเหมือนไม่มีหนี้เหมือนไม่มีโรคเหมือนพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมฉันนั่นแหละ นี่ก็เป็นผลดีที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจนสามารถสงบระงับเบนิวอนได้แล้วมันก็เกิดปิตินะครับปิติก็แนวสามพชชงอย่างที่ว่าไว้ในวันก่อนก่อนโน้นแนะว่ามาถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดปิติแต่ว่าทํายังไงจะเดินเข้ามาปิติได้ตอนนั้นเองต้องฟังเท่าไหร่ใต้รมปปฏิยาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้ อ, องามไปบูรณาธรรม ยังมีแดะท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี